มันก็เลยใส่ตลับหนึ่บอกตลับหน่วยทุกคน่กลียร่างกายที่ใจคุณมาปัจจัยใส่สีก็นเลว่าทีอยู่ที่อาศั t ทีจิตีน้อย ปีกปเจทีคุ้มว่ า, าขาดอลน้นี้แกถาที่แตนถาท่านซีสมันบวมปเจจตท่านซีก็แปลว่ามั น, น, มนกน็ถอยลงถอยลงถอยลงถอยลงเนี่ยแต่เราจะไปถอยก็มันอันนึ่งมันเป็นธรรมชาติไครครับนี้ประเด็จะค้นซึ่งนั้นนี่มันจะเตรียมไปเป็นธรรมยาของมือดักป่าจนจะสอนว่าเป็น สังขานอีกเตรียมเป็นชัมม้นบรรดาวให้เกิดมากแบบเป็นยิง่งดีมัตุกคนถึงหลังถอนมาได้คนเสียงที่จะหน้าให้โขพอใจพอฟันเข้าถูกล่งไปหมดเาเป็นที่จะไปทอนไปถอนทีเดียวหรอกฟันเข้าถูกมันจะบดถูกหลายพราะมันดิบบอกว่าเป็นวัตถุมันก็ดิบแต่จิตมันไมรักไม่เก่งแต่คิดแต่อ่านมันก็บอกใครดีนหนึ่งวันค่ำเป็นเครื่องรังรับ เกิดวนกะว่ายเกิดอะก็ควบแกจริงของใจมันเงื่อนขั้งถั้นไม่สะอายุพื่อายุกินใจไอ้นี้ควบดิคือครับเพราะว่าด้านหลายมดด่านทั้งโลกเพก่อต่อเนื่องควบมสุขสันตเิ่เติมเรียนการนีนะเพิ่เองกันโรกบอกไ้นี่ปัญหาเนี่ยก็ ขอผู้ที่เจ้ากตัดปึกไปเลยก็ดีขันมาแนี้จะลุกจาต้องสานจะยมาอยู่เพรามุดมาบ้านรืออาจจะมาฟอมมนคืออกขันตอขันตอนของคำว่าของผู้จิงที่จะโตคุณจะว่าไปคือนต้นใหม่ห้องนี้แหละมีสูงมีต่ามันจะมีเรื่องผิดซึ่มีสูงมีต่ำหน้าหน้าทุอย่งให้ให้ดี้ดี้นี้ะ ใจ่คนนรู้กันไม่สูงไม่ต่ำใ้แค่นแต่ค้ามูลดูแค่นีหละเป็นความูงวัฒรมเด่นแก่โลกที่สุดจะยุ่้วยกันหรือกันมันจะเป็ยนธรรมชาติของคิดมันจะมันจะโยกโผดมันจะดูแก้ยใจห้องไปพยายามอยากให้มันคิดมันปูกยจริงนั้นเมื่อดูแค่นี้ผบได้ยังนี่จะคําในคมลสองมองใจกันน นั่นแหละถ้ามันยังจับกุมจับกอดจับคว่สงัวปลงเองแกบานแกเมืองแกขอบขัวแกตนเองแมน่นหมดขันไปเลี่ยนไปตามถ้ำนี่จะพอบันเท่าถูกไม่จะมาเกิดในุทตาต้องสารเวียนไายใส่เกิดเมื่อนี้วดกระตามเพราะถ้าจะไปยุ่งเรื่อยไปบันเท่าปัญหาทัาน้น จ, จิตใจลงไปเรื่อยเร แต่ท่าเนี่จะตอกฟ้าตอกถุนเพราะชิงประหนัดเป็นมาแต่กีกัดกีกักกนแลที่มันคิดมันปู๋ ม, มันแตกมันไหลจะตามกระแสของโลกมันเป็นมากเล็กต่างเป็นว่าอาศัยอากาศยิ่งเด็ฟังหลังจากนั้นเราไปคิดไปไปไข่ไปควนบนยอดสะจิ๊บตอกันอดเมื่อนั่ ง, ง ไ, ป ไ, ไปคิดไปอ่านแล้วก็พยายามอานเมันเกิดมันมันก็จะรงับก็รมลงไปพรมันสงบลงจริงก็สบายใจเป็นว่ า, ว า, วาท่าน นี่แหะนักปราชญทา้งหลายคนเลียนอยู่ในตานัเขาคนบริเลี่ยนมากนังเลี่ยนพุทโธตัวเดียวก็มีมัดแต่มันมันยาก่อกาสเลี่ยนจับที่เลี่ยนกันมากคประโยคแปลประโยคหรือนักสัานตีท่านพทโตัวเปริญญาในกระต่าันนั่นเป็นจับอันนี้มาเลี่ยนให้ยู่กับพุทโธใหย่เลี่ยนยากกว่าอันนั้เป็นค้อจับอันนี้เป็นคนอจีเมื่อเลี่ยนอะไรถึง ผูโทแท้จริงครับผูโทธรรมชาติเนี่ยมันึ้นมากอันนี้ม enfin ีผูโทษปอกเนี่ยมันหลอกกปุกกระแต่มันมั่นยพง่งปนิจจ์อไรตดับกีจะผู้โทษผูโทประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มีผูโทษีประเภทอประเภทที่หนึ่งของผู้ใเจ้าเลิศเลอประเภทที่สองของประเจกผู้ใเจ้าก ary, well ็เลิศเล่อเรืองอะไประเภทที่สามภาษาอปัหา ประเภทที่สีคือพวกน้องห่อตันทัดอคาูที่เอาเนี้นอนว่าอะคิดแล้วอันนี้ว่าจีแมนกับโแมนประเภทพวกพุทโธประเภนีส่วนหนึ่งประเภทําให้ห่วยโบมิลักไม่เก่งคิดปุ่งมาเ้วก็บิงดิ๊กๆๆๆจนบมิลักไม่เก่ผมพุทโธกัปโตนี่ผพุทโธอพุทโธหลอกลวงมีถ้าพูดผู้เดียวกบถูกมดแตยังมีิเดจะต้องเป็นยางนี้จะบริสุท มันจะอยู่ยังสี่ขันเอามันไปอยู่มันก็ไปยังสี่สังขอมสุขให้อยู่ยังสี่สั่งข้อมสองให้อยู่ออยังสี่เป็นว่ฒน์กลัวจะแก่มันไดลโถผูที่แก่ไหลคนหนึ่งกูมีศรัทธาพอม่เชือ่อข้อมขั้มสอนถน น, นมันจะคิดจะอ่านเพราะมันจะแก่ถ้าบอกมีศรัทธาแล้วเสร็จ คนเกี่ยวนี้หนามือขันฝังปะเสพมันจะบกครังงหนาในเทสตอนแรกมันจบมืดโมยูบกครั่งปเสพน่ยมดบลับบเอาช้อนบลับนี้งแยกไว้แยกไว้แยกไว้เป็นแยกมันมดปเสพที่มีความเชื่อมันถ้ามีความเชื่อมันความเชื่อหน่อยควมทุกข์หน่อยไม่ความเชื่อมากเป็่อน มันจะแก้ปัญหาพรามันได้เหตพรพทโธสันนิเป็นพทโธมีเหตุมีผลพทโธพโทบเบี่ยเบียนพูทโธบ่เบี่ยงอลัสพุทโธนี่พโทโธทำสิ่งมาทำทำลงให้ร่วมกันบ่มีบ่มีบดใดสิมาหอกร่วงห้บ่มีบ่มีทาให้ห้อเสียหายแม่สะบัดหนึ่งบทหนึ่งเช่นรู้จักเก็บรักชัยแม่นพุทโสอนมด้งไขยันมันเกียงใอ้งที่ชอตแน่กันไ้แล้วขยันมันเกลี้ทางทิ่ชอต มูจะแต่ว่ามันดูอย่างเดียวว่าจเข้าดูอย่างเดียวขยันอย่างเดียวแต่บ่มีเหตุมีผลบ่มทั้งี่ชอตดูว่าเรากบ่มีหนุนนหรือเล่นั่นคือกันไม่กันไม่พอดีมดเลถึงเ่าโอแต่ก่อนมันมันบริสิกจริงเมือคิดกันแล้วเ่อปวด้องฟังน้ำกเอาไปคิดไปอ่านถึงอาจารย์นี่ทุ่งฝนวาไปนี่เข้ากับวันนีถึงเพลินขุดตึ ทำของคนเมื่อกิจมันออกจากอกพวะเท่านั้นเองท่อใจในการสอนมันดีทุกองจะต้องเจอเพราะว่ามันละเอียดละออจากจิตมนุษย์มันจะรู้ไดเห็นเป็นตัวเพาจะพอเมตตาเกิดขึ้นเพิ่นจึงยอดมากเพิ่นก็คือเห็นเป็นเพิ่นยังรู้ได้เห็นได้เพิ่นก็คอยถอยกลับไปถึงเมื่อสอนมันมันบอกมันสงสิได้ง่ายๆ แม้จะห่อยูวัตเป็นผ้าเป็นเ น, นื้เหนังกระตาบเป็นไฟกระตามแต่จีตันบบกกล่าวลงค้นชวหมันโหยากเดียวเป็นย่ง ว, ว, ว่วาสางาี้ไดีแต่แล้วองโลมันกคือสางพ้าเท่าข่ำา้าผ้าอันท่องผ้อย่างนี้อันนี้เงินซื่อมา่อเราอสร้าสางพ้าใจโหบวชจีจิตปัญหาตาปรญษามันก็บวไรบไรง่า ย, ายๆจิตันบกกล่าวลงขส้นแต็มมากบวชมาเฉยๆจิตบเห็นคุณข่าของสิงของทํา น, นี้ ยูไปเช่นคนไปยูไปเดยผมมีรักไม่เก่อย่างเงี้มันบรายง่ายๆคนเดียวภาคปฏิบัติจึงยากมากคนจึงให้ยามีดกันจริงได้ที่เห็นว่ามันจะบอกจะเริ่นท้องฝ่ายปฏิบัติคนกรไตเลยก็บอกเดี๋ยวผมเข้าก็พี่ยินหน้าน่งไปไข่ควรเพราะเรงเป็นฆรวาสอยู่ฆราวาสจะเป็นแห่หนึ่งเพราะมีข้อควบข้อมีอะไรนบอกนี่มสืสารสืจะตดต่อกานสักเรียกขีดนยเรียกขีดครับ ผมเลยก็จัดหมันผมเลเน่นต้องตัสินหาอย่างเดียว่อนมันบอกไปง่ายๆกิจมันอิ่มตัวมันยังจะไปมันก็ต้องอิมอ่มบุญ <c oughs> บก่นนนอนถ้าว่่อิ่มบุญก็นี็นบอกจะสินหาหรือจะหยาดทำกาได้จริงๆเอาความสุสัตชนะาาานะริสตนะทำมันก็ละวาน่ะเดี๋ยวหนมานเกินนัน้นก็ได้แล้วเป็นมนุษย์ด้ๆฉัน้มนุษย์เปตัวเลยชอนรมดบอระก คำไม่น sí, sí, ้ากเท่นามใจกก็เห ja ็นน้าก sí, si sí. ับบางครัางนามอะนาบกหงด้วยนันคนผู t corona, t ้ฉลาดต้องก็บ่าน่าใ่นมันถงกทีเดียวคนฉลาดก็จะหาดึงน่าดีอนามคือไก่พมุติเจ้าผู้คนฉลาดต้องก็เรียกชอนเอาเจ้บุคุที่คต้ก็้อนเอาส้อนเอาบุคุณที่จะตายใจอัไรเรื่องกับคอยมันต่ำต่ำหมดสัตวโลกย่อมเป็นไปตาำต่ำเหมนก คนดูแล้วคนนี้วาสัตโลกยง้อถึงไปตามกรรมในห้อบอลูนจักลับหนังเป็นยังไงมืดมืดอนตะการมัวมดเลยมัวมืดบ้าอ่านคำสอนนักป่าเป็นคนบอกความเป็นดูสงสารจิตตัวนึงก็คือห้อนี้ มุ่เหาคำลาสงสารกับสงสารไปสู่ขนาดจิตอันนั้นบ่มีเด้จะบ่มีเหลมีหน่ายคนว่าปฏิบติริสุทธิ์บมีเหล่มีหน่ายไถ่ขมององมาเรล่ห่จะบ่มีในจิตหวงมันหายยากในสปัติธรรมพระุกุมีแต่พอแม่กจ่ายคนแง่เหลือนี่พระพุดธก็เลิศเลิอขนสั์หรือสัดขนสัดถึงกันเวลาบนกกะจากเล่าไปเพิ่งจะิึงคำสอนใหม่เข้ากัปฏิบัติตาม นั่นมันบอกไว้ไอันนั้นเป็งซีเดออันนี้ถูกต้องเลยมันบอกวนมัดข้ากระจําถ้เยดเอาบมี่ทุกวันนี้มันหน่อยกาไปนี่หน่อยกาไปประสงค์ก็เป็นโลกมัดจะย่อไปดูถูกมันเป็นยุคเป็นการเป็นสมัยเพราะสิ่งหนึ่งมันกน็น่าติเกศพูดได้ถ้าเป็นอไรจะมาบริยูกับนอฝ น, นระสงค์กับฤิรลายภูนี้กูมพคงเพราะดิฉิดพราด้อ่านเขาบริยูน้ำเกินไป โอ oh, ้สุขจิงสุย่าไม่ได้สะดวกปุ๊บเพ่งสะเทือนย่งขึ้นปุ๊กดปุ๊บลูกได้ปุ๊บสะดวกปุ๊ บ, บ, บ, บมันปุ๊บเหนือต่ว่าทีมาของปุ๊บมันหนังหลักเ็งมันชอบเหนือแล้วต่ว่าขีเงินมันบ่มาเงินขึ้แบบกดปุ๊บดีนั่นมันบกเข่ากันเพื่อนว่าใช่ง่ายแต่เงินมันบ่ม่าง่ายดีใช้ก็ะเจงก์เพื่มสะดวกเพราะอำนาจของจิตมันบิงใส้เพื่สะดวกแต่ําดวกทามันบ่อเม่า ก, กับสะดวกปรไดีสะดวกย่างเดียวบเ่เคยเห็น เลยจึงบอกแล้รเบประหลายประเทศแหะอันิว่าคุ้ยก็คุย้ยบอมมีในโลกว น, นี้สรดวกย่งยางเหวบอมี่เป็นคู่กันตลอดมากถ้าปั๊บพพอดีทสะดวกเกินไปถึงวัตถุโลกเกินไปก็ห้อนปับบก็ท่านนั่นท่านจึงรู้จักพอดีพอดีนะฝ่าเยเพิ่งบอยบีนั่งเพิ่งเตือนนักเตือนนักเตือนนักพวเ ก, ก็วิ่งเป็นาวากาไตายตือนเมตโตบอมีผิดเตือ น, นวิสส่งสาสตร์ศีก็เลยคำล่ามผ่ามนะ น่ะนักป่าเพลินเตือนดังพวแรงผู้จ่ายเป็นออกมาเตือนก็เลนักก็เลยทีเดียวพอข้อมีดูสงสารบวกคือพวกข้าสงสารนั่นสงสารจริงๆเด้จิตกันั่นมันพอพ้นเห็นสภาพของจของที่ถูกอยากลำบากม่านหน้าตาไรสองวันสามวันเท่ามันเท่าเห็นก็เพิ่นน่อยใจยังเพิ่นยังห้องไหม่กัน่ะคนละเลือกค้อมีรสจากจิตธรรมชาติอย่งเป็นอย่างหนึ่งไม่เฉพาะยังเพิ่นกับโบกเทือนเป็นอยู่ในใจเอง เราข้นนอกจากพวกจิตตะพน่าจะกล้าเขาใช้กันไดถ้าเป็นโลกมองกันบอกเลยเป็นเดือดของเพลินก็เห็นเพนว่าเจนพอแ้จันเกียรัสัยญ์หันยดือยอึททบทบหนุนตาข้างเพราะพรา่เพราพเพานรู้แล้วอยู่นเพนพราะเพลินอกว่าแตะกรอนข้งนี่เป็นหมาหน้าแล้วก็เชื่อเพลินจดื้อเด้เชื่อว่าเพนเป็นสันเจ้าข้อปกตแต่มีควมเชื่อเรียวยินไปเชียร์แลเพลินบอกเพลินบ้าบ้าบเพลินมาเพลินเสม เออขนาดชิดไลหลนุ่นข่มรูข่มรู้มากเอาอย่างใจกับของข่มรู้ถมหัวเอาตัวบตลอดนักหนักฝ่าเพลินสัดไปเรื่อยเออคนบอกไว้พอดีพอดีข่มรูบ่มบ่มีฐานของจิตเออข่อรู้เลียนศึกษามาบ่มีฐานของจิตจึงแตกกระจุงจึงแก้ปัญหาในชีวิตเราถ้าข่มรูมีฐานอของจิตเขาไปรับร่องคือไฟอกุศลจะแก้ปัญหาได้ดี มีกุศลมาเขาได้ยิ่งฉลาดยิ่งทำให้ตัวเองร่มเย็นยิ่งแก้ปัญหาได้มากคุณยังบอกว่าฟลายกุชลาทัมมาอากุชลาทัมมาคุณบอกโอ้บอกห้องได้มาร์กหน่อยๆก็พระทำบ่ายพระทุกวันทุกวันจดจอจังเล่นยดูข้าพุทธโลกยันดุเรียวเผลอมันดูหยาดเลยเหันูนมันกอยู่มันก็นไป ก็พยายามพยายามพยายามให้ได้รับไปเกียนตัวนี้เป็นฐานที่จะมาเกิอดอีกเลยนั่นแหละที่จะเสียญจ่าลึกใส่ก่อนหนึ่งเลยมันถึงใจเพรา ะ, ม, าะมันเข้าใจมันดีได้ไม่มีโทษชื่อว่าดีเลิศข่ําเดียวอันดีเป็นโทษถึงจะเฮตุมันอือคนบอกว่าดีได้ไม่มีโทษดีเลิศเลิศจริงๆบ่มีปัญหาบ่ามีโทษไม่ ใ, ใช้ชีวิตวบออมตยยม่มีโทษในร่างกายมัดชาระออกหมดแต่บัวชีดีไดบ่มีโทษได้โหต้องพยายาม โดพยายามทนพยายามเที่ยนละเที่ยนถอนทีจีสิ่งใดเป็นโทษจะพยายามวัดสุกตุกควาจะถึงจุดไหนในสมบัติตั้งฝวงโกมเสดถ้าได้ตนหนัสมบัติมาจากใสขันจิตใจบุญนีรักมีเกียรยยติรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักจา ก, กาลังทุกด้านทงงุมไปเ้องกันจะปสาปัญหา นื่ว่าได้ตัวตนที้ประเสริฐคุณสมบัติทั้งปวงเพราะสมบัติมาจากเจ้าของนะสางเจ้าของคือสางสิงสางท่ามสางคมแน่นอนมังคง n g o ฐานของผู้สนีทเต็มลอยเต็มลอยเต็มลอยบ่มีติดบ่มีหมาดนี่กระตามมีคว่ำสุขคือคว่ำบ่อุ่นในเจ้าของที่เล่าบอกให้พวกเราไปจิตไปอ่านคอยคึ้ค่อยผ่านไปพวกเขาจะคอยใจว่าทุกอย่างเทนยังประเดี๋ยวก็ทุกอย่างกัเพวกเขาบอเชื้อสินเชียอท่ำอย่างนี้กับพวกเขาบอเชียบุตร เือแต่อันนาของกิเลสครอบจนเป็นว่าค่มดูตัวหัวตัวบอลนั่นเนว่านดูถูกเด็กนเป็นมาแล้วคนแยกแยะมาแล้วคนออกมากมดหรออันนี้คืออังสี่เป็นว่าคนมาดีดูถุกตัวนี้พูดพูดป้องกันคมเสียหายของจิตประเภทเนี่ยทีเรียนมาสูงเรียนมายังก็ตามค่ดูมากเขาอยากใส่ของเขาค่อมดูก็มีท่านแะบสดฟังง่าย พ่อบรรูปปัจจัยจิ้นท่านวางทักษดาบุญกุศลเข้าไปเป็นที่เดียกอันนั้นเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเฉยๆแต่ผู้ใช้เครื่องมือเนี่ยบ่อนอันนาได้หลังนะละเละเพราะอำนาจเครื่องมือเอามาเป็นเครื่องมือในทั้งบุดีเพราะจ้ของบุรีเสียทันทีเพีงยงบอกพอดีพอดีอดโอหนิกบอกให้ตั้งในทุกสิ่งทุกสี่งเปลี่นโครงห้องเออพ่แม่ผู้ใจอ่อะดวงรับยังเหลือเพื่อนผู้ใจบันาดาลงเดียว ร อ, องพ่อคจะควบนิดน้อยนี่บอกแต่พ่อพีจีน่าเมื่อดิลูเลิดเลยยังไม่ที่ลื้อมายัยางได้ลื้พวันนี้จะลื้อมาถูกจักในเจ็บของนี่น้องบอกว่าพ่เคาจะควบาไปเป็นสติพวกเราอันอื่นบ่มีภาษาตัวนี้ว่าไรบ่บมี่นะสบบมสบัติบอกกันเลยสมบ่มีจึงมี่สมพอใดจึงใดบ่มีผิดเนี่ยบ่ได้ดูถูกดูหลานบ่ได้ดูถูกทีน้องทั้งหลายเต็มมัสี่ถ้ำเลย คนบอกคนไหนมันแมนมนแมนแต่คนมีิถัมเจ้าโดูถูกเด็กโบดูถูกดูแค่นแมนสัญญาสิเจริญกระบวถูกดูแค่นแมนสจบปัญหานักคนไหนกระบวถูกดูแค่เห็นสภาพของค้อมเป็นมากของจิตมันน่นเป็นขันเป็นตอนมันนั่นเป็นลุ่มรุมรอนรอนสูงสูงต่ำต่ำต่างๆเป็นมากสิจะได้จะไล่มากเบิ้งคั็มเบิ้งตน่ะเออมิได้อินดูสงสารพ่อจะช่วยเหลือยังไงช่วยท่านพี่นี่ภูมิถัมมิสิบว่าคือภูมิโลกเลย ผู้โลกเห็นเขาถูกก็ดูแค่งเขาเออดูถูกเขามูนีมิจะเรื่องสังโทดเจริญของดูไปเห <ste ep> ็นยังนั่นเป็นสมบัตของผู้นั้นนี่คิดอะไกูบอกเลยยังนั่นเป็นสมบัติของคนเกิดมากกเป็นกรรมของยี่สิงใดก็ช่ยเรือยแต่ช่วยไปนีู่ไม่มีตาวออุ่นขอบคนประเทือนเออโลกมีความสุขขอบนประเทือนดูถูกดูแค้นบอมีความสุขบ่มีมิแต่สังโทดเจรกันองดูไปหนยังนั่นบติ้น้ ทํเหนี่ยวความคิดผมคิดที่เป็นโทษนีแล้วก็จนม า, าพระในที่นี้นะ